เอาน่ายอย่าซีเรียอเรื่องหลวงตาใบหวยหลวงตาแช่มเป็นพระบวชเมื่อแก่ไม่มีความรู้ธรรมะอะไรเลย แต่ญาติยอมชอบมาทําบุญกับหลวงตาแชม่มเพราะล่ําลือกันว่าหลวงตาแช่มใบหวยแมน่นทิดช้ำได้ทราบข่าวหลวงตาใบหวยแกจึงรีบรุดมาขอหวยทันทีหลวงตาจึงใบหวยให้ไปว่าจอจอทิดช้ำได้รับคําบอกใบจากหลวงตาเดินยิ้มกลับบ้านพลางนึกดีใจว่า หลวงตาใบหัวให้ตรงๆจอจอมันก็ต้องเจ็ดเจ็ดจะตีเป็นเลขอื่นไปได้อย่างไรว่าแล้วแกก็ทุ่มเงินซื้อเลขเจ็ดเจ็ดจนหมดกระเป๋าวันประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลปรากฏว่าเลขท้ายสองตัวที่ออกคือสามสี่ทิชช้มแทบจะคลั่งตาย พร้อมหมดเนื้อหมดตัวไปกับหวยคราวนี้ด้วยความโมโหทิศฉ่ำถึงกับรีบรุดมาต่อว่าหลวงตาถึงที่วัดนี่หลวงตาในว่าให้หวยแม่นดูสิฉันหมดเนื้อหมดตัวเพราะหลวงตาแท้ๆเชียวขาบ่ายบอกเองว่าอะไรไอ้ทิศก็หลวงตาไใ่บอกว่าจอจอ แล้วเล่มันออกอะไรละ่ะก็สามสี่นาซิหลวงตาใบหวยภาษาอะไรกันอ้าวข่าก็ใบให้ถูกแล้วนี่จะมากล่าวหาว่าข้าได้ยังไงอะไรหลวงตาจ่อจอมันแปลว่าอะไรข้ายากจะรู้นะักก็จามจียังไงละโว้ยโง่จริง